เราอยู่ ใ, ใกล้ๆคนที่เขามีธรรมะจ ะ, ปรร ะ, จะเป็นลู้สึกถึงคนที่มีธรรมะตัวเราเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีสติระวังจะทําอะไรออกมาแต่ละอย่างเนี่ยต้องรู้จักมีสติว่าโอ้เราอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นะและตัวเราเองก็ปฏิบัติทำด้วยโดยทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกสิ่งนี้ไม่ควรทําเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจน่าละอายมันจะเกิดสติตอนนี้ตอรู้ว่าเราอยู่ในฐานะอะไรเนี่ยอันนี่คือสําคัญนะจะทําผิดทําไปต้องมีสติเตือนมาก่อนว่าโอ้ยทำไม่ได้หรอก ไปเสียคือครูบาอาจารย์หมดแลวตัวเราเองก็เสียหายมากนี่ถ้าไอคนอื่นเขาจะพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีสติเลยบอกโอ้นั่นเราต้องมีสติว่าเราสามารถที่จะปกติได้ไม่วันไหวแม้เสียงใครจะพูดจะว่าอะไรเราเพราะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นอย่างไรคนอื่นเขาจะมอนอย่างไรเป็นเรื่องของเขาเราจะมีสติมากขึ้นสติเอาไว้เตรียมตัวสำรวมระวังอย่าทําอะไรที่มันมันผิดศีลผิดธรรมอันนี้ถือว่า มีครูบาอาจารย์มีการปฏิบัติธรมที่เป็นประโยชน์ต้องเตือนสติเสมออันนี้คือสําคัญเรื่องการปฏิบททัติธรรมส่วนเรื่องของไอ้นักกีฬาไอ้นักขับรถที่มันขับรถสิ่งแล้วมันเก่งมากแล้วก็มันก็ตายเนี่ยเพราะมันประมาทมันประมาทประมาคือว่าเอไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้มันไม่น่าเป็นอย่างนี้ไปได้ครับ <Herm. S 1> มันเลยไม่มีการระวังนะครับ เมื่อเราขับรถเด็กคนขับรถเป็นเนี่ยเขาจะไม่ก็สนใจแล้วก็ขับไปเรื่อยๆอันนี้คือประมาทถ้าเขาถไประวังเนี่ยอันนี้เขาไม่ประมาทอย่ขับทบขับรถไปโทรศัพท์ไปเงี้ยเขาขับรถด้วยความเคยชินแล้วก็มัวแต่สนใจโทรศัพท์คือประมาทแหละเพราะฉะนั้นโอกาสคนที่ประมาทเนี่ยยังไงก็เสียหายมากความประมาททําให้คนเสียหายมากราคาสติเพราะฉะนั้นจะทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยต้องต้องอย่ามองข้ามต้อง มีโอกาสผิดพลาดได้ก็จะมีการระวังมากขึ้น<ม>คนทุกคนมีสิทธิ์เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะ่ะเกิดอุบัติเหตุอิมเมอร์จินซี่อะไรทั้งนั้นแหละขึ้นอยูว่าเรามีสติหรือเปล่าถ้าเราขาดสติเราถึงว่าเราประมาทมากไม่เป็นไรแล้วสบายๆอย่างคนมีสตินี้จะระวังไม่ก่อนระวังไม่ก่อนอันนี้เรื่องของการไอคนที่ขับรถแต่ว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ต้องสําคัญเรื่องแบบนี้นะ เราทำอย่างนี้ไม่ได้เราเราเสียชื่อครูบาอาจารย์หมดแล้วก็ครูบาอาจารย์เขาก็สอนเราเลยทําอะไรต้องระวังเพราะเราไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มันไม่ได้ฝึกหัดเราเป็นคนที่ได้ฝึกหัดแล้วได้เห็นสิ่งที่ดีๆแล้วเห็นตัวอย่างที่ดีๆมาแล้วเราจมรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอันนี้คือควรมีสติมีปัญญา เราจะไม่ทำแต่ว่าเรามีมีกิเลสมีตัณหาก็มีมีได้แต่เราควบคุมไว้อันนี้เราควบคุมไว้ไม่เป็นออกมาทางวาจาทางกายทางกายเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องก็เราเองเป็นคนมีกิเลสเราไม่ใช่ทาอาหารไม่ใช่ดีพร้อมทุกอย่างเราสามารถควบคุมในสิ่งที่มีดีเอาไว้ควบคุมไว้ไม่ได้กดทับคือควบคุมว่าอย่าออกมาอย่างนี้มันน่าเกลียด คืเรยว่าละอายชั่วไงยี่รีโอระปาลายชั่วกลัวบาปทำนี้ไม่ได้อย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะไปทําะไรอย่างไปมีผู้หญิงมีอะไรมากมายผมทำไม่ได้ผมละอายครับลูกหัวแล้วโอ้โหเนี่ยเราโลนเหมือนพระละมาละอายแล้วนอนแบบหายใจก็ลําบากแล้วนิ้วกดกไม่ได้จะไปคิดอย่างนั้นโอ้อายมากอายมากผมเคยคิดอยู่บ้านครับดูแล้ววลูกหัวแล้วอ๋ออายครับ เราก็ผมหัวล่นปลานิ้วก็ดิกไม่ได้เลยยังจะไปคิดทําะไรนี้อีกโอ้แบ่อาย้าดินอาย้าดินผมจะคิดอย่างนี้นะั้นผมก็ไม่คิดอีกเลยความละอายชั่วกลัวบาปถึงไม่น่าไม่บาปมันก็ละอาย ค, คิดไปได้ยังไงเราแบบ น, นี้นแต่เราก็สามารถควบคุมว่าเออความคิดคือความคิดนะเรื่องของกิเลสต่ไม่ใช่เรื่องของเราหรอกเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของเรา ต้องชกันตีอดทนไหมอตอดทนอดทนแล้วอหลายๆอย่างก็มีสติมาแล้วก็อดทนอดทนแล้วก็ต้องทนให้ได้เลยสติมาก่อนสติมาก่อนสติไม่มาเนี่ยมันไม่อดทนครักก็ทําไปเลยคันติว่าอดทนมีสติมาแล้วคันติก็จะมาช่วยมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้อดทนต้องทนให้ได้ถึงจะเรียกว่าอดทนอ้าทนไม่ได้นี่ยไม่ใช่อดทน อดทนแล้วต้องทนให้ได้ไม่หม้ก็จะลําบากหน่อยแล้วก็รู้สึกอึดอัดแต่ว่าดีกว่าการที่เราไม่ทนด้วยซ้ำไปรเราเลือกตั้งดีกว่าคนที่เวลาเจ็บปวดจะร้องโอดปอยโอดอ อ, อ, อ, อ, อ, อยได้แม่จะทนเนี่ยมันจะปวดมากครับแล้วถ้าเจ็บแล้วอดทนเอาไว้เนี่ยมันปวดไม่มากในชะ่มันปวดไม่มากเลยยิ่งร้องยิ่งปวด ว่าบางครั้งเราก็คิดว่าเราเป็นลูกศิษย์ของคุบาจางังเราก็เราแก่แก่คุบาจังเราเป็นคนดีแล้วก็มีคนแก่แกเราทานสิที่ไม่ถูกใจเราเราก็เราก็มีมีทุกซากเกิดขึ้นจะจะจิตใจอันนี้เป็นกิเลสมันกันแค่เรื่องธรรมดากิเลสในใจก็ย่อมเกิดแต่เราควบคุมมันได้สําคัญตอนที่ว่าเราควบคุมได้หรือเปล่าก็หลวงปู่รู้ปู ด, ดุนเนี่ยบอกว่าอหลวงปู่เนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยมีโกรธไหมไม่นี่แต่ไม่เอา นะแต่ว่ามีแต่ไม่เอาคือสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ปล่อยวางมันได้ครับคือทุกอย่างจะไม่ให้มีเนี่ยไม่ได้มันมีครับแต่เราไม่เอามันเราไม่เชื่อมันเราไม่ทําตามมันเราไม่รังเกียจมันแต่เราไม่ทําอะไรกับมันปล่อยมันผ่านไปมีแล้วก็ผ่านไปอย่างนี้ถือว่าทําแบบสบายๆคือว่าเราไม่ต้มไปขาโอ้ อันนี้ทกสามารถจะอะไรต้อง็นะคิดมากทําไมเออเนาะอันนี้คิดมากเรคิดมากแล้วตัวตนจะใหญ่เลยนะไอ้ทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้เราไม่น่าจะมีแบบนี้แหละทุกข์หนักแต่ว่าเป็นปัญหาเยอะขึ้นใช่มันจะทุกข์เลยนะผมว่าคนเข้าใจผิดว่าที่เราใกล้ครูบาอาจารย์เราไม่น่าจะคิดเป็นกิเลสไม่ได้ครับเราเป็นครูบาอาจารย์เราไม่น่าจะมีกิเลสไม่ได้ครับเราเข้าใจผิดคิดว่าตัวเราเนี่ยก็เรียกสําคัญ ช่ว่ตัวเรานี่โอ้โหยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากใครจะว่าอะไรก็ไม่ได้เราจะต้องดีเสมอหมดไม่ใช่แล้วเขาเรียกลืมตัวตัวอัตตามจะใหญ่มากครับบอกมีได้ทําไม่เป็นไรเราไม่ตามตามคใครว่าอะไรเราก็ว่าไปเถอะ ไ, ไม่เป็นไรหรอกรเราเราเราไม่ว่าอะไรเข้าไปแล้วกัน ผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นที่ว่าเรามีกิเลยเรามมโทดสอเราไม่รบกวนเกิดขึ้ก็เราเป็นเราก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นทีิจจสมัคเราไม่ต้องไปหาออแม่ต้ไม่ต้องเป็นรูปเป็นอะไรเป็นอะไรูปเป็นอะไรอันนี้อันนี้อันนี้เสียเวลาเราต้องมีเส้นเราก็มีสติเอาทุงไว้เราก็ค่อยๆอันนี้จะจะลงไปแล้วอันนี้ก็จบได้พอจบแล้วเดี๋ยวมันไม่ต้องไปคิดหรอกมันรู้เองมันรู้เองมันรู้เองมันรู้เองว่าอ๋อเราว่ามันไอ้อเปอย่างนี้สิ พอเรากินเหล้าแก้วเดียวเราจึงทําถึงขนาดนี้มันจะรู้เองเลยนะมันจะรู้เองอเคยเข้าไปพูดกับ น, นักโทษในเรือนจำนเขาเป็นทุกข์มากทำความทำความผิดแล้วก็เป็นทุกข์มากเลยแล้วบอกว่าแล้วตอนนี้แล้ว ต, ตอนนี้คุณทําผิดไหมบอกเป่าคุณกําลังอยู่ในอยู่ที่ไหนอยู่ในเรือนจํากําลังทําอะไรกําลังใช้ใช้การบอกไม่ใช่เนี่ยคุณกําลังมาฝึกจิตฝึกใจ มาฝึกใจให้มันดีต่างหากอย่าบอกว่าใช้กรรมการฝิกให้มันดีเนี่ยมันจะเป็นการรู้สึกสบายใจกว่าว่าเราใช้กรรมให้เขาคิดแบบนั้นซะเขาก็สบายใจนี่ามองว่าเขาผิดแล้วผิดเลยมันไม่ได้ทีลวเราคือคือเราเคยดูหนังนะบางคนนี่ชั่วมากเร็วมากเลยนแล้วก็ติดคุกแล้วก็ไม่ยอมแก้ปัญหา เสีตายไปโดนโดนยิงตายตัวอีกคนหนึ่งอ๋อเราผิดเลยนะต่อไปจะเป็นคนใหม่จะเป็นคนดีอไอ้คนนี้เนี่ยเขาที่เราบีบาร์บูดุเลยเขาจะเรียกฮีโร่เลยนะ ค, คนที่ผิดแล้วเปลี่ยนแปลงใหม่ครับไม่ไปทําผิดเหมือนเดิมดิอไอ้คนนี้คนเขาทั้งโลกจะสรรเสริญมากแล้วคนในโลกเนี้คนแบบนี้คนชอบชอบ โอเคเขาเป็นแม่เปลนแปลงใหม่แล้วเป็นแปลงใหม่แล้วเขาเป็นคนใหม่แล้วโอ้คนก็ชอบใจรู้หน้าตาเป็นยังไงเราเราให้กําลังใจกันนั่นการผิดเนี่ยดีเราเราแก้ไขเป็นไปเราจะไม่ทําอย่างนี้แม้แต่พระเองเนียโปรงอาบัตเนี่ยโปรงอาบัตเนี่ยผิดแล้วต้องไปปรงแล้วก็ต่อไปจะไม่ทําอย่างนี้อีกโปรงแค่โปรงอาบัตเพราะนั่นผิดได้ ก็จะมีการปรองอบับ ต, ต่อไปจะไม่ทันคนแบบเนี้ยในโลกเราเนี่ยสรรเสรินยกย่องให้เป็นคนดีเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีได้ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วดีตลอดตายเลยไม่มีหรอมันจะต้องมีดีมั่งเสียมัางนี่จะรู้จักแก้ไขตัวเองอันเนี้ยสาคัญเนี่ยคือคนที่ที่ดีจริงต้องแบบนี้ในเรื่องหนังละครเรื่องหนังที่เราไปดูเนี่ยมันได้คิดว่า ไอเ น, นี้ยขาดสติไอ น, นี้เอาใจตนเองไอเ น, นี้ยสาคัญผิด <c oughs> คิดว่าตัวเองเนี่ยใหญ่ <c oughs> สุดท้ายแล้วมันก็จบลงไม่ดีให้ดูว่าอ๋อไอพวกนี้มาเริ่มต้นมันน่าท่าจะดีแต่ต่อไปมันไม่ดีนี่ครับ <c oughs> ต้องดูให้ตลอดทั้งเรื่องไม่ใช่ดูเฉพาะตอนหนึ่งแล้วมันคิดตอนหนึ่งไม่ได้ <c oughs> เรื่องรา่มันต่อเ น, นื่องผูกกันเป็นลูกโซ่เอาตัวใดตัวหนึ่งมาเนี่ยไม่มีประอะไร เราจ อ, อสุดท้ายแล้วมันเป็นคนที่ไม่มีใครเขารักเขารบเล่มจะกลายเป็นอยู่คนที่อยู่คนเดียวในโลกนี้เหงามาก